กันอีกเช่นเคยสาหรับธรรมะเก็บตกรับบรุณเช้านี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องธรรมะเก็บตกบนธรรมาและนอกธรรมะสมเด็จผู้จารตัท่านมีิวบายสอนธรรมะแปลกๆไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้ไปพูดธรรมะสองธรรมะกับพระพิโมนธรรมหรือเจ้าหุ่นถึกแห่งวัดเชดูพลระหว่างที่อุดธรรมะกันอยู่พระพิมนธรรม ก็นำหัวเรื่องเรื่องโทโสโทโสเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทำให้ขี่เจ้าของทำให้ต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียพี่เสียน้องเสียเหลี่ยมเสียครูเสียแต้มถ้าใครถูกอำนาจโทโสครอบงำก็จะเดือดร้อนและเป็นทุกข์มากแล้วก็เอ่ยกับสมเด็จโตซึ่งมีสมาาัมมาสักสูงกว่าว่าโทโสเมื่อเกิดขึ้นแล้วโทโสเนี่ยเกิดที่ตรงไหน เกิดขึ้นได้อย่างไรครับให้แก้ให้ขาวหลวงพ่อโตท่านก็นั่งท่านแก้งหลับไม่ได้ยินแถมกลนีกตั้งหากเจ้าคุณถึกถามอยู่สองสมรอบกรู้สึกไม่ค่อยพอใจจึงตะวาดด้วยเสียงอันดังถามแล้วไม่ตอบแก้งหลับในด้วยเสียงอันดังอีกสองสรอบสมเด็จโตก็แก้งตื่นตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็ด่าเลย ไอ้เป็ดไอ้กากไอ้หายถืกควนคนหลับเจ้าคุณถืกถูกด่าก็โกรธมากลืมตัวตอนนั้นมือก็ไปจับกระโถนกระโถนดินเผาอะเฟี้ยงไปที่หลวงพ่อโตแต่เฟี้ยงไม่โดนเราไปโดนเสาศาลาดังเปี้ยงคนที่อยู่บนสาลาเนี่ยแตกตื่นเพราะไม่นึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลวงพ่อโตท่านก็ นิ่งสงบแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าโทโศโอหังเกิดขึ้นเมื่อนิถาลมคือเห็นรูปที่ไม่น่าดูเสียงที่ไม่น่าฟังกลิ่นที่ไม่น่าดมรสที่ไม่น่ากินสัมผัสที่ไม่สบายและความคิดที่ไม่ถูกใจมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจ โทโศเมื่อเกิดขึ้นถ้าเจ้าของไม่สำรวมก็ต้องดันออกมาให้คนอื่นรู้ว่าเขาโกรธอย่างเช่นเจ้าขุนถึกแต่โทโสก็ไม่มีอำนาจครอบงำหรือกดขี่แต่อย่างใดถ้าผู้นั้นไม่โง่และขาดสติอย่างเช่นเจ้าขุนถึกเวลาเขาชมท่านก็ยิ้ม เวลาเขาดา่าท่านก็โกรธตัวท่านเป็นพระแต่ไม่สังวรจรึงเป็นโพกระถลนแตกดังโพท่านก็ยกตัวอย่างเจ้าขุนถึกให้ญาติโยมในสาราฟัง่ถ้าเป็นเราก็น่าแตกนะกคือเทศสองธรรมะอีกฝ่ายนึงโดนสถานเดียวเลยแต่ประเด็นนี้ธรรมาก็ชอบใจตรงตรงที่ว่าโพโศเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่โง่และไม่ขาดสติเนี่ย มันก็ไม่มีอำนาจที่มากดขี่เราได้เลยแต่เรางโง่และเผลอสติเนี่ยมันก็มีอำนาจที่มาบงการชีวิตเราอันที่เป็นธรรมะที่สมจริงบทรธรรมะนะมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสมัย7จ็ดปีก่อนแถวชาญเมืองกรุงเทพเนะ่ยก็มีการแสดงธรรมสามธรรมะคือชาวบ้านนี่เขาจะนิมนต์พระที่ตัวเองชอบมาแล้วแล้วก็ตั้งหัวเรื่องแต่พระที่นิมนต์มาก็จะไม่รู้กันนะก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นพระธรรมกระถึกเนี่ย มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงสามตมาม่าเนี่ยจะองค์กลางจะซักองค์ซ้ายองคขวาวันนั้นก็พูดเรื่องเกี่ยวกับอธิตตบริยายาสูตรเรื่องไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะโดยองค์กลางก็ได้ถามองคขวาก่อนทั้งสองท่านเนี่ยก็ถามตอบกันแบบชาวบ้านชอบใจพชาวบ้านก็มามาฟังทางกันมากมายชอบในลูกเล่นของพระสองรูปนี้ โดยที่พระรูปที่สามที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยเงียบสงบไม่ได้เอ่ยอะไรเลยคันพูดถึงไฟราคาจบองค์ที่สองก็ถามพระอยู่ข้างซ้ายมือเกี่ยวกับไฟโทสะว่ามันเป็นยังไงพระรูปนั้นก็ทำตาหวางหน้าตาแข็งมองมาที่พระองค์ที่สองอย่างอยาจะกินเลือกินเนื้อ สร้างความตกตะลึงให้กับญาติโยมที่มาฟังธรรมแล้วท่านก็ค่อยเอ่ยว่าส้นตีนเนี่ยเลนเอาพระที่ถามเนี่ยตกกระใจโกรธจนหูเหือแดงไปหมดเลยพอนึกงไปถึงว่าจะโดนตอบแบบนี้หลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งพะระลูปพี่สามหน้าตาค่อยเปลี่ยนมากลับมาปกติแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบร้อยว่าสนตีนกับ ใต้บาทก็คืออันเดียวกันแล้วก็ขอโทษขอโพยภาคงที่สองแล้วก็ตั้งละโมแสดงธรรมตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ก็เป็นการสอนธรรมะแบบฉับพันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเกิดขึ้นนานมาแล้วประมาณ7จ็ดสบปสิบีก่อนแล้วก็เป็นที่โจทย์จานกันมากคือเป็นธรรมะที่กระตุกความรู้สึกให้คนเห็นความจริงของอารมณ์ที่โกรธอันทีบนธรรมะแต่ถ้าเกิดเป็นร่างธรรมะล่ะ ร่างธรรมราศกที่ใกล้ๆอำเภอชัยยามีสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่สำนักสงฆ์หนึ่งเจ้าวาดเป็นคนที่มีสติปัญญาใครๆเรียกท่านว่าอาจารย์หมอส่วนพระองค์น้องคืออยู่กันสองรูปอะองค์น้องชื่อว่ากว้างใหญ่เป็นพระที่ไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร่ขาดแคลนาร์มรักก็อยู่กับพี่ชาย อย่างสงบสุขก็แหละอยู่มาวันหนึ่งก็มีพาจากสวนโมกมาเยี่ยมพาราลูกนี้ก็ชื่อว่าอาจารย์เอม็มอาจารย์เอม็มกับอาจารย์หมอก็มักคุ้นกันดีไงไปมหาสู่กันนับถือกันอยู่ไปถึงสำนักก็ชวนคุยไงชวนคุยอะไรกันสัพเพลาต้องนานยังไม่กลับสักทีหลวงพี่กว้างใหญ่โกรธมากเพราะรู้สึกว่าอาจารย์เอม็มเนี่ยมาแย่งความรัมกไง ทำให้พี่ชายไม่สนใจตัวเองค่อยๆโกรธเทียงนิดเทียงนิดจะลืมตัวขันขาดสติก็เข้าไปตบอาจารย์เอ็มเลยจนคว่ำเลยขันรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้โหรีบวิ่งไปเอาผ้าสังกะสมาแ ล, าล้วประกาศขอขามาอาจารย์เอ็มลูกพี่กว้างใหญ่พันษมากกว่าอาจารย์เอ็มพรรษาหนึ่งแต่อาจารย์เอ็มก็มีสตินะไม่โกรธลูกพี่กว้างใหญ่เรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีแต่ความที่ขาดสติลืมตัวมันทําได้หมดแหละสามารถตบกันได้เบลพระ เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแย้งควมรักแล้วมาอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เป็นการสอนเซนสอนธรรมะเรื่องนี้เกิดที่วัดโชะทานเน่ยที่กุฏิธรามธรรมธรรมเช้าวันหนึง่งหลวงพี่กำลังตื่นนอนก็รู้สึกว่ามีอะไรมาหนักๆที่หน้าลืมตาเอา้าส้นตีนเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาตีนกระเงียบหน้าอยู่ค่อยๆนวดหน้าเอาตีนส้นตีน ตอนแรกก็รู้สึกดีนะตอนตอนพอรู้ไปส้นตีนปุ๊บโกรธสุดขีดจะต่อยอาจารย์แล้วแต่ว่านึกขึ้นมาได้มีสติก็เลยไม่ต่อยก็เลยเอาฟาร์มโกรธเอาไปอาจารย์ตัวเองอันนี้ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเรื่องนี้เรื่องจริงนะเพราะเป็นคนที่เกิดเนี่ยรู้จักอรมางั่นแนหะมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นธรรมะนอกธรรมะซึ่งสอนแบบฉับพลันที่ เมืองจีนก็มีนะคูบาฮวงโปไม่รู้ทุกคนอาจจะรู้จักท่านเป็นเป็นหลานสิทธิ์ของพสังปริญายกที่หอะ่ะท่านเวหลางเพราะว่าสังบริญายกองเซนอนะ่ะคือมีแค่หองคนั่นแหละพอหลังจากนั้นก็ไม่มีการมอบตำแหน่งอีกแต่ก็เผยแพร่กันมาก็มีคูบาฮวงโปเนี่ยที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านดังมากท่านก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าลินไซ อยู่ที่สำนักมาสามปีแล้วก็ไม่รู้อะไรวันหนึ่งก็มาถามอาจารย์หวงโปว่าพุทธธรรมคืออะไรแทนที่ขูบาหวงโปจะตอบก็เอาไม้เนี่ตีไว้ที่ไหล่ขวาหึงทีตีอย่างแรงเลยนะอินไซก็งงแล้วก็เจ็บแต่ก็ไม่ว่าอะไรจะกลับไปวันที่สองก็มาถามอีกพุทธธรรมคืออะไร คูบาวงโปว่าตีไปที่ไหลซ้ายอย่างแรงเหมือนเดิมก็ไม่รู้อะไรก็กลับไปอีกอะเต็มด้วยความสงสัยพอวันที่สามมาถามใหม่พุทําคืออะไรทีนี้ครูบาวงโปใช้ไม้ตีที่หัวเลยหัวโนเลยแกก็เลยน้อยน้อยใจวิ่งออกไปจากสํานัก ท, นทั้งวันเลยน้อยใจว่าอาจารย์่ะไม่รักเราทําไมต้องมาตีด้วยคิดปรุงแต่งนานาสารพัด จนไปถึงสำนักของเพื่อนคูบาฮงโปไปถึงก็เล่าให้ฟังเพื่อนอาจารย์ก็บอกคูบาฮงโปเนี่ยเมตตาเจ้าอยู่ตีเจ้าให้เปื้องออกจากความทุกข์แล้วคงพูดอะไรเข้าแหละจนทําให้ปินไซเนี่ยจิตตื่นโพงขึ้นมาเลยตื่นรู้ว่าฉับพันแหละจากตอนแรกที่ยึดถือติดอารมณ์กับเรื่องโดนตีหัวก็เลยกลับเลยรีบกลับสำนักเลย มาถึงสำนักก็เข้าไปหาครูบาฮงโปที่กําลังสอนลูกศิษย์อยู่มาถึงแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องที่ไปเจอเพื่อนครูฮองโปก็ถามว่าเจ้าตาอยู่พูดอะไรพําเพืออะไรถ้าครั้งหน้าเจอต้อตีให้เข็ดลิ้นไซก็บอกไม่ต้องรอครั้งหน้าหรอกตอนนี้เลยแล้วก็ตบหน้าครูบาฮงโปเต็มมือเลยตอบอย่างแรงอะ่ะครูฮองโปก็ไปโกรธนะบอกไอ้นี่มันมันเถื่อนนะบัลบังอาจกระตุกดระเสือ เสร็จแล้วลินไซก็ก้มไปเลียที่ตีนของครูพองโปะเลียอย่างนอบนอบปที่สุดอันนี้เป็นเรื่องของลูกศิษย์อาจารย์นะเล่นกันแรงคู่นี้ถ้าเป็นคนทั่วไปก็าจะโกรธแนนะเล่นกันขนาดนี้อันนี้ก็เป็นธรรมะนอกธรรมาตประเทศไทยก็มีอย่างที่วัดหนองพงก็มีพระฝรั่งอยู่รูปหนึ่งรู้สึกไม่พอใจเพื่อนร่วมวัดอะ่ะหุนหิดมากเลย เดินไปวิทบาทเนี่ยก็คิดแต่เรื่องพระที่ไม่ถูกใจตลอดทางแหละกลับมาอา้าวเจอหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาทักทักกู๊ดมอร์นิ่งจากตอนแรกที่แกกุหจิตตอนนี้อารมณ์เปลี่ยนเลยนะกลายเป็นแบบมีความสุขโหครูบาเจจารอุตส่าห์ทักเราลืมอารมณ์ที่กุหยิตไปเลยอารมณ์ปื้มใจทั้งวันคันถึงตอนเย็นหลวงพ่อชาก็เรียกพระฝรั่งท่านนี้แหละ มานวดอุปถากยิ่งสร้างความป่าพื้มใจให้แก่ภาพฝรั่งรูปนี้ยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นภาพใหม่ไงมีโอกาสได้นวดครูบาอาจารย์ก็เลยตั้งใจนวดเต็มที่เลยด้วยความกระยิมในใจแต่ขณะที่เผลอทันใด น, นั้นหลวงพ่ออยากถีบโคมให้กระเด็นลงไปข้างล่างเลยแล้วหลวงพ่อก็ตำหนิบอกเ ว, เวลาเวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มุดห ง, งิดขัดเคือง แล้วเจออารมณ์ที่ดีใจก็ลืมตัวคือฟูฟแฟบอะจนพระฝรั่งร้องไห้เลยร้องไห้นี่ไม่ได้โกรธหลวงพ่อชาที่ทีบนะ้แต่ดีใจที่ว่าหลวงพ่อเมตตาด้ลูกทีบซับซึ้งใจก็มีหลวงพ่อชาเนี่ยกล้าสอนอะไรแปลกไม่เหมือนคนอื่นเขาต่อมาก็มาเรื่องสบายสบายบ้างเรื่องสบายสบายก็เกิดกระดมาเองแหละเพราะว่าบางที เราเลิกตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันเมื่อก่อนขณะที่อนุมากลำลังนาสวดมนต์อยู่ก็มีพระอรหุกะขึ้นมาพระอรหุกะท่านนี้อ่ะท่า น, นาตาก็ไม่มิตรหรอกเราเวลาไหว้พราสวดนมนต์เราก็หันหน้าไปทางพุทรูปนะพระท่านนี้ก็หันหน้าไปทางโยมมแหละไม่รู้ไม่ชี้นั่งนั่งขวางหลวงพ่อมเขี่นั่งเวปประธานอยู่อันมาก็ไปเลยว่าอะไรสักพักหนึ่งก็บอกว่าให้เขาหันหน้าไปทางนี้ท่านก็นไม่ยอมอนุมาก็ไล่ท่านลงแหละ ท่านก็ไม่ยอมลงแล้วตอนดะบาแผ่เมตตาท่านก็มาว่าธรรมาเนี่ยเมตตาจริงหรืออย่างงุ่นอย่างนี้แต่ตอนนั้นทํนาอากรโกรดนะแต่ความโกรธแต่ละมาก็เป็นคนที่มีเหตุผลไนงะคือว่าเราไม่ได้ไปทะเลาะวิวาสอะไรรุนแรงเกิดเหตุล้ก็ยังควบคุมตัวเองได้อยู่คืออาจจะไม่พอใจอะ่ะแต่ว่าควบคุมตัวเองได้ก็เลยไม่เกิดเรื่องที่ร้ายแรงกว่า น, นั้นก็ ทำให้คือก็เถียงไปเถียงกันมาอยู่พักหนึ่งอ่ะหลวงพ่อเขียไม่ได้เทอะจนหลวงพ่อต้องพูดออกไม่อ่ะว่าพระอุปเกะท่านนี้แล้วหลวงพ่อก็แสดงธรรมแต่ตอนแต่ตอนหลังพระรูปนี้ก็มาขอขอขามาอาตมานะมากราบขอเข้ามาอาตมาก็เลิกโกรธพระรูปนี้แล้วตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเออท่านได้เกียดรเรานะเพราะพระรูปนี้จะเดินสายทั่วประเทศไทยเพื่อสอบอารมณ์ครูบาจารย์แต่อาตมาไม่ใช่ครูบาจารย์ท่านได้เกียติประสอบอารมณ์จึงไม่ธรรมดานะ อนนนพระโนเนมให้เองตอนนั้นแต่ท่านให้เกียรติระสอบประลมเพราะท่านเดินสายเล่นรุ่นใหญ่มาแล้วไม่ว่าจออาจารย์โพหรือสำนักอาจารย์ดังๆทั่วประเทศไทยอ่ะบางทีก็โ ด, โดนโดนโดนตีถูกโยนออกจากลอกสำนักก็มีคือท่านสร้างวีรกรรมไม่เยอะเพื่อให้คนอื่นเห็นอารมณ์ไงว่าโกรธเป็นยังไงนะคือท่านลงทุเอาตัวเองเข้าแลกไงท่านเสียละนะแต่ตอนนี้ท่านตายไปแล้ว แต่วิรกรรมยังอยู่แล้วก็วิรกรรมก็อยู่กับวัดในเมืองไทยอีกนานเพราะมีแต่คนจด์จถึงท่านอันนี้เป็นเรื่องเล่าเล็กน้อยสมัยเมื่ออาธรร์มาอยู่วัดเขสาสะพัดดีนะที่นู่นก็จะมีการให้พระเนี่ยเวียนกันพูดธรรมะถ้าพระเถระสามารถพูดปากเปล่าได้เถระตั้งแต่ภาษาสิบขึ้นไปนะ แต่ภาษานวกะหรือมัชิมาเนี่ยห้ามพูดปากเปล่าต้องเอาสื่อมากางอ่านพูดตอนกลางคืนวันพระวันพระเขาจะนิสชิกกันที่นู่นเขาจะนั่งแถวเรียงยาวเลยพระก็มีมประมาณ20่กว่าคนแล้วก็แม่ชีและโยมจากอำเภอหันคาจะมาร่วมถือศีลอุบสถกันก<อ>็บรรยากาศก็คึกคืนะทุกวันพระก็มีอยู่วันหนึ่งถึงคิวธรมมาพูดธรรมะ อาตาบาก็บอทุกครั้งที่พูดธรรมาเนี่ยคนฟังจะหลับนะเพราะว่าไอ้คนที่มาพูดเนี่ยมันเอาสื่อขันห้ามาอ่านอย่างเงี้ยหรือแม่ก็พูดเรื่องแบบเครียดๆหนักๆบางทีเป็นบาลีแยะคนฟังแม่ชี่บทีหลับกลนเลยอาตาบาก็เลยวางแผนเฮ้ยถ้าเราจะพูดแบบเดินๆนี้ไม่ได้แนะ่เราจะต้องพูดเป็นชาวบ้านเนาก็เลยไปหาหนังสือเกี่ยวกับท่องขุมนรกมาแล้วมาอ่านให้พวก อยากโยมฟังกันตอนนั้นอจตราก็อย่างเทพไม่เป็นนะกลัวประมาทกลัวใหม่มากกอะตอนนั้นแต่ก็จําใจต้องพูดอะพูดไปกลัวไปอ่านอ่านไปแต่ก็ได้ผลนะพวกแม่ชีและโยมเนี่ยฟังกันหูผึ่งเลยไม่มีใครหลับเลยฟังอัตราไปสองสามชั่วโมงอะแป๊บเดียวเองเพราะเรื่องที่เราเสนอไม่มีใครเสนออะเราก็พาไปท่องหัวลบขุมนี้ขุมนู้น ون, เรื่องนู้เรื่องนี้เขาฟังเขาตื่นเต้นกันอันนี้ก็เป็นประสบาการณ์ตอนที่สมัยเป็นพระใหม่ๆคือถ้าเป็นพระเถระเนี่ยมันมีประสบาการณ์ยมันเล่าเรื่องนู้เรื่องนี้ได้บางทีโดยไม่ต้องไปจําจากหนังสือมามันก็เล่าได้ไงมันเข้าใจโอ๋ทาไมเขาถึงไม่ให้ไม่ให้พระน ว, วกะพูดปากเปล่ปาเพราะเหตุผลนี้เองเพราะพระพระน ว, วกะไม่มีประสบาการณ์ไงแล้วก็ไม่เจอเรื่องราวต่าง ๆ, ต, างๆต่างกับพระเถระ ยิ่งถ้าไปที่ไหนมากก็จะเจอประสบการณ์มากอาจารย์มวังโสเนี่ยเล่าให้ฟังในหนังสือชวนมั่นชื่นเนี่ยว่าสมัยก่อนเนี่ยพาวัณหนอพวงกลัวการเทศมากเลยเพราะหลวงพ่อชาเนี่ยจะไม่ให้เตรียมตัวไม่ให้ดูหนังสือแล้วก็ไม่บอกด้วยอาจารย์นิมนต์ไขเทศขั้นถึงวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยถ้าเกลตตาปีิระถ้าสายตาหลวงพ่อหยุดที่ใครคนนั้นก็ต้องโดนขึ้นพูด แบบไม่มีเงื่อนไขจึงทำให้พระที่ลงตื่นตัวกันยิ่งถ้าเป็นพระหลังด้วยพูดไทยก็ไม่ค่อยคล่องแล้วประสบาการณ์ก็ไม่ค่อยมีบางครั้งต้องพูดเวียนไปวนมาบนสาราเนี่ยบางครั้งโยมนะ่นั่งหลับค่อยๆลุกหายไปทีย่ยวกนสองคนก็มีอย่างหลวงพ่อสุเบธโอนี่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังภาษาน้อยอ่ะ หลวงพ่อชาให้เทศให้ท่านเทศสามชั่วโมงคือตอนแรกเดียท่านเทศได้ชั่วโมงหนึ่งท่านก็จะสรุปคือจะเลิกอ่ะหลวงพ่อชาไม่ยอมให้เทศต่อท่านก็พูดเรื่องเดิมซ้าไปซ้ํามาภาษาไทยท่านก็ไม่ค่อยเป็นไงทางกำลังแข็งใจผู้ต่อแต่ น, นี้โยมก็เริ่มเบื่อแล้วยมเริ่มเซ็งแล้วเขค่อยทยอยกลับอา้าวแล้วก็สรุปจะเลิกหลวงพ่อชาให้ผู้ต่ออีกชั่วโมงที่สามชัก คนฟังเริ่มนับคนได้นับหัวได้แล้วบางกระดังหลับกันท่านก็ฝืนพูดจนครบเวลาแหละพาตอนหลังท่านก็ขอบใจเหตุการณ์ครั้งนั้นนะว่าทำให้ท่านเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเท่านั้นมา ก, ก่อนเลยทําให้ได้พูดได้ไหนท่านก็ไม่กลัวเพราะพวกฝรั่งเนีจะมีอัตราสูงอะอัตราแบบให้คนฟังแล้วตั้งใจฟังแต่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านมิบายละลายอัตตาคือฝึกเทศ คือถ้าไม่ได้สนใจโยมนะหลวงพ่อชานยโยบายของท่านเนี่ยฝึกการฝึกพระมากกว่าโยมจะฟังไม่ฟังเรื่องของโยมแต่พระพระเน่ยได้ประโยชน์ไนงะได้เห็นอารมณ์ตัวเองถูบีบคั้นอะไรต่างๆจนตอนหลังผ่านประสบการณ์ที่ไปก็เป็นนักเทศที่ดีเลยหลายคนก็กลายเป็นเทศเก่งขึ้นมีประสบการณมากขึ้นสามารถพูดต่อคนต่อหน้าคนเป็นร้อยก็ได้เป็นพันก็ได้แต่มันยากตอนแรกอะเพราะตอนแรกเนี่ยมันจะประมาจะกลัว ซึ่งอนนี้วัดป่าสุก โ, โตก็เหมือนกันก็มีหลายท่านเนี่ยกลัวไมลกลัวไมลพยายามจะหนีซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกมันจะยากลเก้าแรกถ้าผ่านเก้าวแรกไปก้าต่อไปก็ตามมาอย่างเรามาใช่ว่าจะได้พูดเนี่ยใช้เวลาถึงสิบปรนศานะได้ลูกครั้งแรงกเมปีห้าห้าคืออาจารย์ท่านเห็นว่าเอ้ยตอนเช้าเนี่ยถ้าท่านพูดเองท่านก็จะเหนื่อยมากเพราะอาจารย์เริ่อมอายุมากแล้วแล้วก็จะเป็นการให้พระในวัดมีโอกาสได้แสดงธรรม ได้แสดงความสามารถบ้างอาจารย์ก็เลยให้เวียนกันเทศทั้งอาทิตย์เลยเมื่อสมัยก่อนนะอาจารย์ให้ผู้คนเดียวแหละทั้งเช้าทั้งเย็นแหละสามรอบวันหนึ่งนโยบายนีย้ทำให้ภาวัป่าสุกโตเนี่ยได้แสดงความสามารถกันอานาก็ได้มีโอกาสแล้วแหละคือเราก็อ่านสือมากแต่เราก็ไม่กล้าพูดเราก็กลัวไม่ประมาบางทีพูดครั้งแรกเนี่ย มันนึกเตรียมเรื่องไว้มันจําเรื่องลากมาไม่ได้นะพระเรื่องอยู่ไหนก็ไม่รู้คิดก็คิดไม่ออกด้วยบางทีหน้าแตกก็มีบางทีท่องก่อนเตรียมก่อนมาท่องแล้วท่องผิดเพราะว่าที่เราท่องอะไอยู่ส่วนตัวมันคล่อ ง, ง่ะแต่พาพูดแต่หน้าโยมเน่ยเอาเฮ้ยก่อนจังหวะไม่ได้มันมันลืมเลยแต่พอทํำบ่อยๆแล้วก็รู้โยมก็ไม่สนใจหรอกเราจะน่าเราจะพูดผิดพูดอะไรเดี๋ยวเขาผ่านๆไปแต่สิ่งที่เรานํามาเสนอก็ให้โยมเนี่ยมีความสุข จากการฟังทำแล้วก็ได้สาระบ้างนั้นะผู้แสดงธรรมจะต้องมีความสุขแต่ถ้าโกรธ แ, แสดงธรรมไม่ได้นะถ้าโกรธมันก็จะมีอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งทําให้ผู้พูดไม่มีความสุขเครียดอย่างวันนี้ที่เรามาพู้ที่ได้ไประโยชน์สาระก็คือความโกรธความโกรธที่จริงมันไม่มีอํานาจครอบงําจิตใจเรานะอย่างที่หลวงพ่อโตพูดไวอ้อ่ะจะมีอํานาจกับเมื่อเราเผลอเผลอสติถ้าเราเผลอสติความโกรธจะครอบงําเรา ความโกรธดูอันเผื่ไม่มีอะไรแต่น่ากลัวมันสามารถท้ายคนฆ่าคนตายได้ติดคุกติดตรางได้จากเลือกเล็กๆน้อยๆจากไม่มีอะไรนะพอทําไปแล้วก็มาเสียใจภายหลังอย่างตัวธรรมะเนี่ยก็ในวัดะไม่กลัวใครหรอกแต่กลัวตัวเองมากที่สุดเลยกลัวคนอื่นโกธรอกเราอย่างบ้าเขาฆ่าเราทิ้งก็เออใช้เวรให้กรากันไปแต่ถ้าเราเผื่อไปฆ่าคนอื่นนะ่ะอันนี้เราจะเกาะเวรเกาะ ก, กรรมภพชาติก็ยาวเสียชื่อเสียเสียงอะไรเงี้ยนั้นเรากลัวที่สุดก็กลัวตัวเอง เพราะว่าอาจจะระาวาังมากแล้วถ้าเราโกรธโกรธเนี่ยเราก็ต้องเดินหนีไปเลยหรือไม่ก็ไม่ต่อเลาะต่อควา ม, มให้ยืดยาวแต่ต้องตั้งสติมันมีเสียหายร้ายแรงมากเลยบางทีเราเห็นพระฆ่ากันเพราะความโกรธก็มีหลงสือที่บ่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเ ล, กล็กน้อยถ้าเรามีสติไม่ถูกก็โกรธคล้องงามเนี่ยเรื่องทุกเรื่องก็ผ่านได้ดีชีวิตเราก็ผาสุกได้ฉนั้นสิ่งสำคัญคือต้องมีสติอะลไะมีสติมีความสุกตัว ถ้าเราไม่มีสิไม่มีความสูขตัวเนี่ยเราก็ออยากถูกความโกรธขออ้างงาจิตใจเราได้อย่างที่อาจารย์ใบสายเคยพูดไว้ว่าศัตรูของมนุษย์เนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือความเกลียดความโกรธในใจเราอย่างอื่นไม่เท่าไหร่อ่ะความโกรธและเกลียดในจิตใจเราเนี่ยมา น, นําซึ่งอกุศลทุกชนิดมารวมในในตัวเราหมดเลยแต่ถ้าเรามีเมตตาอย่างเมื่อกี้อาจารยมาก็สวดเมตตาเพราะเราเมตตาบ่อย มันก็จะช่วยระงับได้ทำให้เราเนี่ยการพูดจาจิตใจใเราเนี่ยไม่แข็งกระด้างไม่หยาบโอกาสจะไปร่วงเกินคนอื่นก็ไม่ค่อยมีน้อยถ้าทำบ่อยๆนะแต่ละคนที่ไม่เมตตามันก็จะสะสมบางทีเจออยู่ก็ตบพุ้เจออะไรไม่ถูกใจก็ด่าอะไรเงี้ยมันจะสะสมความโกรธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่างกับเมตตาถ้าเมตตามากขึ้นสร้างปฏิสัยเนี่ยมันก็จะมีกาลังไงทาให้เราเนี่ย ไม่หุนหันพันแล่นความโกรธเมือครอบงมเราไม่ได้ถึงครอบงามเราก็รู้ตัวก็ไม่ทำตามใจมันไม่ทำตามใจตัวเองก็ผ่านเหตุการณ์นั้นได้อันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเราอย่าถูกความโกรธครอบงมให้อิสระจากความโกรธให้ได้ก็ขอญาตโยมมีความสุขมีความเฉลิมธรรมยิ่งไปเอวัง